คุณพระเจ้านะครับสาหรับโอกาสในบ่ายวันนี้ที่จะได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องสบายดีไหมครับอากาศเปลี่ยนนะครับต้องรักษาสุขภาพให้ดีถ้าไม่สบายก็ต้องนอนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆเพราะร่างกายเรานี่เป็นน้ำซะ60เอร์เซนนะครับเพราะร่างกายเราพร่องน้ำไปหน่อยหนึ่งทุกอย่างมันรวมหมดนะครับแล้วก็ ภูมิต้านทานของเราก็จะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายพี่น้องครับเราคงจะได้เรียนรู้มาแล้วตั้งแต่สมัยเมื่อเราเรียนหนังสืออยู่ชั้นปฐมศึกษาอย่างนี้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีการเจริญเติบโตถูกไหมครับถ้ามันไม่เจริญเติบโตแสดงว่ามันไ ม, ม่มีชีวิตนะครับและเราจะทราบได้ว่าการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนั้น มากน้อยแค่ไหนเราก็คงไมใ่ใช้สายตาหรือความรู้สึกของเราวัดเอาเราต้องมีเครื่องมือในการวัดอย่างแน่นอนเช่นเด็กแรกเกิดเราก็จะวัดด้วยน้าหนักแล้วก็ส่วนสูงของเด็กหรือความยาวของเด็กนะครับเมื่อท่านพาหลานหรือพาลูกของท่านไปโรงพยาบาล<ๆ>เขาก็จะวัดส่วนสูงนะครับเขาก็จะชั่งน้าหนักต่อมาเมื่อเด็กโตขึ้น เฉพาะน้ําหนักและส่วนสูงก็ไม่เพียงพอที่เราจะใช้ในการที่จะประเมินการเจริญเติบโตของเด็กได้เราก็ต้องหาอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าต้องมีการวัดพัฒนาการของเด็กควบคู่กันไปด้วยผมยังจําได้ว่าตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับอาจารย์ที่สอนแผนกกุมาลเวชกรรมนะครับกุมาลเวชศาสตร์เนี่ยอาจารย์รุ่นเก่าๆก็จะเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนนะครับ ท่านก็นให้กรอนสั้นๆไว้สําหรับประเมินว่าเด็กทารกนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเช่นเดือนที่หนึ่งะครับอาจารย์บอกว่าเด็กเบิงตามองแปลว่าเด็กตอนแรกคลอดเนี่ยมันก็จะหลับตานอนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเมื่อไหลายที่ครบเดือนเด็กปกติก็จะเริ่มต้นลืมตาออกมาดูนะครับเดือนที่สองยิ้มย่องผ่องใสนะครับก็คือเด็กจะเริ่มยิ้มเองนะครับพอครบสองเดือนแล้วเดือนที่สามก็เทินหัวล่ําไปแปลว่า คอของเด็กเนี่ยก็เริ่มแข็งขึ้นและก็หมุนไปได้ประมาณ45องศานะครับเริ่มมองตามได้บ้างนะครับพอถึงเดือนที่4นะครับอาจารย์ก็บอกว่ามองไกลยกหัวก็คือเริ่มตั้งคอเองให้เต็มที่ได้พอเดือนที่5ก็ยกตัวมองเหมอ่อก็คือเริ่มชันอกตัวเองได้และพอถึงเดือนที่6กนะครับก็บอกว่าอันนี้คือทันสเปิลมือเดียวก็คือว่าเด็กจะเริ่มส่งของจากมือหนึ่งะครับไปสู่อีกมือหนึ่งได้อย่างนี้เป็นตน้น เมื่อเราคิดถึงชีวิตของเราในพระเยซูคริสต์ก็เหมือนกันพี่น้องก็ต้องมีการเจริญเติบโตถูกไหมครับถ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านไม่ได้เจริญเติบโตเท่าที่ควรก็แสดงว่าชีวิตของคุณต้องมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าชีวิตคิดเสียงของเราเติบโตอย่างปกติเราก็จะต้องมีสิ่งที่จะวัดการเจริญเติบโตของเราว่ามีมากน้อยแค่ไหน จริงๆพระคัมภมร์ได้เครื่องมือหลายอย่างในการวัดควา ม, วามเจริญเติบโตของฝ่ายวิญญาณจิตของเราที่เราเห็นชัดๆก็คือในพระธรรมกาลเตียบทที่หข้อ 22- สถึงยีาซึ่งกล่าวว่าฝ่ายผลของพระวิญ ญ, ญาณ น, นั้นคือความรักความปราบรื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปาณีความดีความสัดซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยเอาแปลว่าอะไร แปลว่เมื่อไหร่ที่เราเห็นนะครับไอลักษณะต่างๆของของขอ ง, ของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตั้งแต่ความรักเป็นต้นไปนะครับปรากฏขึ้นในชีวิตของพี่น้องของเราคนไหนในพระเยซูคริสต์เราก็บอกได้ว่าอ๋อคนนี้กําลังมีการเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณของเขาอย่างแน่นอนแต่ยังมีเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราใช้สามารถวัดความเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนได้และเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณากันในตอนบ่ายวันนี้ สิ่งนี้เราเรียกว่าการรู้จักช่วยเหลือคนอื่นถูกต้องไหมครับพี่น้องคนที่ยังเป็นเด็กก็จะห่วงใยในความต้องการของตัวเองและปรารถนาที่จะได้รับการตอบสนองจากคนอื่นเท่านั้นแต่คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่เพียงแต่สนใจในความ ใ, ในความต้องการของตัวเองเขาจะมองออกจากตัวของเขาไปแล้วก็จะสนใจในความจาเป็นและความต้องการของคนอื่นและไม่เพียงแต่เห็นเท่านั้นแต่พร้อมที่จะตอบสนองด้วย เหมือนที่พระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อที่16นะครับได้หนุนใจแล้วว่าจงอย่าละเลยที่จะกระทำการดีและจงแบ่งปันเข้าของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับท่านจะสังเกตเห็นในที่นี้ว่าพระกัมปีใช้คำแรกว่าอะไรนะจงอย่าละเลยนะครับเอ๊ะทาไมพระกัมปีจึงต้องบอกว่าจงอย่าละเลยนะนะมันก็คงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากว่า เราทุกคนส่วนใหญ่แล้วเรามักจะละเลยเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นนะครับนะฮะสาเหตุที่เรามักจะละเลยมันก็ตรงไปตรงมาก็คือเรามัวแต่สนใจใครสนใจแต่ความต้องการของเราเองก่อนบ่อยครั้งที่เราหมกมุ่นอยู่กับความต้องการของเราเองจนกระทั่งเราละเลยความจําเป็นที่เร่งด่วนของคนอื่นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่เพียงแต่เท่านั้นพระคัมภีร์ข้อตะกี้นี้นะครับยังบอกกับเราถึงเหตุผลที่เราควรสนใจ และไม่ละเลยในการช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยในตอนท้ายของพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อที่16บอกต่อไปบอกว่าเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับท่านเห็นไหมครับว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกกับเราบอกว่าพระเจ้ามองดูการช่วยเหลือคนอื่นของชีวิตของเหล่านั้นว่าเปรียบเสมือนกับอะไรเครื่องบูชานะครับแล้วก็เป็นเครื่องบูชา เหมือนกับว่าเราทํากับใครเราทํากับพระเจ้าพระองค์เองและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอประทยัยเหมือนกับที่พระธรรมสุภาษิตบทที่ 19: บเข้อสิที่บอกกับเราอย่างนี้ว่าบุคคลที่ที่ที่ดูแลคนจนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนแก่การกระทําของเข า, าวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพาพี่น้องมาศึกษาจากในพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับว่าทํำยังไง เราจรึงจะสามารถหวงใหญ่สามารถให้การช่วยเหลือต่อคนที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราได้นะครับหัวข้อคำแบ่งปันในบ่ายวันนี้ชื่อว่าหัวใจของการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับขอบคุณน้องมากที่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าท่านยังคงจาได้ไหมจาได้นะครับตอนนี้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับเนาะข้าแต่พระเจ้า เราวิงวอนต่อพระองค์ให้หัวใจของเราทั้งหลายในบ่ายวันนี้เป็นดินดีที่จดจ่ออยู่ที่ถ้อยคําของพระองค์ขอให้เราตอบสนองต่อพระสุรเสียงของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายโดยตรงผ่านทางพระวจนะของพระองค์ขอนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่เพียงแต่สนใจห่วงใยคนที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราแต่พร้อมที่จะตอบสนองตามกําลังที่พระองค์ได้ให้กับชีวิตของเราแต่ละคนด้วย เราขอมอบช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปในตอนบ่ายวันนี้นะครับเป็นคําอุปมาเรื่องสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวพระเยซูตรัสคำมตรัสคําอุปมาเยอะนะครับและมาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษาครั้งสุดท้ายเมื่อพระองค์จะเสด็จเข้าสู่สง่าราศีนะครับ เราเห็นได้ว่าในที่นี้พระองค์ได้ใช้สัตว์สองตัวนะครับสองชนิดเป็นตัวแทนของคนสองกลุ่มด้วยกันก็คือพระองค์ทรงใช้แกะแทนคนชอบธรรมและใช้แพะแทนคนอธรรมแต่ในบ่ายวันนี้ผมเองไม่มีความต้องการที่จะตีความเกี่ยวกับความหมายของคําอุปมานี้นะครับแต่อยากจะพาเรามาพิจารณาบทเรียนบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาสาระของคําอุปมานี้ด้วยกัน คำอุประมาณนี้ได้พูดถึงการตอบสนองของคนสองกลุ่มต่อคนที่กําลังมีความต้องการหรือมีความจําเป็นในชีวิตของเขาพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงความจําเป็นในหลายๆด้านเดียกันถ้าท่านมองดูในข้อที่สาสิหถึงสาสิบหกจะพบว่าพระกัมพีร์ได้พูดถึงคนที่กําลังมีความจําเป็นในด้านต่างๆอย่างน้อยหกด้านเดียกันเริ่มต้นตั้งแต่หิวหิวเราต้องการอะไรครับก็ต้องการอาหารกินนะครับ ขายน้ําต้องการอะไรครับก็ต้องการน้ําดื่มการเป็นคนแปลกหน้าก็ต้คือต้องการการต้อนรับหรือการยอมรับจากคนอื่นการเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ก็ต้องการความอบอุ่นของร่างกายจากเสื้อผ้าที่คนอื่นจะแบ่งปันให้กับเราการเจ็บป่วยก็คือต้องการการรักษาการดูแลและการเอาใจใส่และอันที่6กการติดคุกนะครับหรืออยู่ในคุกนั้นคนที่อยู่ในคุกก็ต้องการสิ่งหนึ่งมากก็คือต้องการให้มีคนมาเยี่ยม เมื่อไหร่ที่มีคนมาเยี่ยมเขาจะรู้สึกดีใจมากนะครับและถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีพี่น้องก็จะเห็นว่าความต้องการที่กล่าวถึงทั้งหด้านนี้นั่นเองล้วนแต่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งสิ้นและครอบคลุมความต้องการทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิ ญ, ญญาณด้วยพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับเมื่อสองพันปีมาแล้วในสมัยของพระเยซูคนมีความต้องการในด้านต่างๆอย่างไร ผมก็ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันคนที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราก็กําลังมีความต้องการมีความจําเป็นต่างๆเหล่านี้และความต้องการและความจําเป็นต่างๆเหล่านี้ก็กําลังรอคอยการตอบสนองจากใครครับจากท่านและจากข้าพเจ้านั่นเองอีกทั้งพระเยซูยังพูดชัดเจนว่าพระองค์ต้องการให้เราดําเนินชีวิตในโลกนี้เป็นเหมือนกับเกลือและความสว่างของแผ่นดินโลกด้วยเราจึงควรจะถามในบ่ายวันนี้ว่า เราควรจะมีท่าทีและมีการแสดงออกอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่สามารถตอบสนองคนเหล่านั้นที่กำลังมีความจาเป็นหรือมีความต้องการได้จากพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านด้วยกันในตอนบ่ายวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันหัวใจหรือสิ่งจำเป็นในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นของกลุ่มผู้ชอบธรรมหรือแกะในคา อ, อุ ป, ปมานี้ด้วยกันกับท่านทั้งหลายอย่างน้อยที่สุด5ประการด้วยกันประการที่หนึ่ง ผมอยากจะบอกว่าเราต้องมีความวัยในการที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นนั้นเราต้องมีความวัยต่อความต้องการของคนอื่นก่อนถูกไหมครับและคงปฏิเสธไม่ได้นะครับก่อนที่ท่านจะสามารถตอบสนองความต้องการของคนอื่นได้นั้นท่านต้องสังเกตเห็นถูกไหมท่านต้องสังเกตเห็นความต้องการของเขาก่อนใช่ไหมครับ ข้วาวีบอกเราบอกว่าคนเหล่านั้นสามารถสังเกตเห็นความต้องการของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความต้องการในฝ่ายร่างกายหรือความต้องการในฝ่ายจิตใจก็ตามความต้องการในฝ่ายร่างกายก็หิวกระหายปือยกายและเจ็บป่วยความต้องการในด้านจิตใจก็คือการเป็นคนแปลกหน้าคือถูกปฏิเสธนะครับและการติดคุกหรือถูกจาจองนั้นก็คือดูโดดเดี่ยวแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ เราต้องถามตัวเราเองว่าท่านและข้าพเจ้ามีความไวต่อคนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนท่านได้สังเกตเห็นความต้องการหรือความจําเป็นที่เร่งด่วนของคนเหล่านั้นหรือเปล่าการที่พวกเขาสามารถสังเกตเห็นความต้องการหรือความจําเป็นของคนเหล่านั้นได้ผมคิดว่าคงจะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากสองประการด้วยกันนะครับนะครับประการที่หนึ่ง เป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้เคยผ่านประสบะการณ์อย่างนั้นมาก่อนถูกัหมครับด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาไปพบคนที่มีความต้องการแบบเดียวกับที่เขาเคยพบมาก่อนนั่นเองหรือตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับที่ตัวเองเคยประสบนั้นเขาก็สามารถรู้เลยได้ว่าอ๋อคนนี้กำลังมีความต้องการแบบนี้เองพี่น้องครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่เคยผ่านเรื่องอะไรมาก่อนเนี่ยหลายครั้ง เราจะเข้าใจคนที่เคยผ่านเหตุการณ์นั้นยากมากยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีใครไหมครับที่มีลูกที่มีปัญหาโอ้ขอบคุณพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่มีลูกที่มีปัญหาเลยเนาะขอบคุณพระเจ้าถ้าเราไม่เคยมีลูกที่มีปัญหาเราจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับพี่น้องเราจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเออทําไมครอบครัวนั้นนัน้ลูกเขามีปัญหาแล้วเขากําลังมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในชีวิตของเขา ถ้าเราไม่เคยเห็นเหตุ ก, การณ์นั้นมาก่อนบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นที่ต้องประสบกับเหตุการณ์นั้นก็เป็นไปได้ดังนั้นตรงจุดนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่าถ้าวันนี้พระเจ้าทรงอนุญาตให้ชีวิตของเรามีโอกาสได้เรียนรู้จากความยากลำบากอะไรก็แล้วแต่ความขัดสนหรือปัญหาในแง่หนึ่งแง่ใดในชีวิตของเราพี่น้องต้องปฏิยินดีนะครับเพราะอะไรครับ เพราะอย่างน้อยที่สุดผมอยากจะบอกกับท่านว่าประสบะการณ์เหล่านี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้ท่านเรียนเปล่าๆนะครับประสบะการณ์เหล่านี้จะช่วยท่านสามารถเข้าใจและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้าตอนที่ลูกชายของผมป่วยนะครับลูกชายผมก็ป่วยหนักนะครับคนโตเนี่ยตอนคลอดต่ อ, อมาก็คลอดก่อนกำหนดน้ำหนักลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเพียงแค่2กิโลกรัมเท่านั้น เมื่อหมอเจาะหลังก็รู้ว่าเขาเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเขาก็ชักหมอก็ฉีดยาเขาก็เลยหยุดหายใจก็เลยต้องอยู่กับเครื่องช่วยหายใจติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามสัปดาห์ด้วยกันหลังจากที่ลูกของผ ม, มหายป่วยได้สองสามปีผมก็มีโอกาสไปเทศนาประกาศกางแจ้งที่คสศจักร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครในครั้งนั้นคฤศจักรนั้นเขาได้เชิญคณะนิเกของมหาวิทยาลัยพายัพนะครับ ซึ่งนำโดยศาสนาจารย์ยูแบงเนี่ยมาเปิดทำการแสดงก่อนที่จะให้ผมขึ้นไปเทศนานี่คือวันหนึ่งก่อนการแสดงของลิเกคณะนี้จะเริ่มต้นนะครับผมก็ไปถึงที่นั่นก่อนเวลาผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับภรรยาของพระเอกลิเกคณะนี้ตัวพระเอกลิเกเนี่ยก็เป็นคริสเตียนเรียบร้อยแล้วแต่ภรรยาของเขายังไม่เชื่อเขาทั้งสองเนี่ยก็มีลูกฝาแฝดด้วยกันสองคน คนโตเสียชีวิตในระหว่างการคลอดส่วนคนเล็กต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเหมือนกับที่ลูกชายของผมป่วยอยู่นั้นลูกชายคนเล็กของเขาตาบอดทั้งสองข้างเขาก็ตะเวนตลอนตลอนไปโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับในกรุงเทพมหาคอนครอย่างน้อยสามโรงพยาบาลเพื่อจะถามหมอในสามโรงพยาบาลนี้ว่าลูกของเขามีหวังไหมจะได้เห็นหมอทั้งสามโรงพยาบาลนั้นก็ยืนยันเหมือนกันบอกว่า ลูกของเขาตาบอดอย่างถาวรแน่นอนในระหว่างที่ผมฟังเขาเล่าเรื่องของเขานั่นเองผมต้องบอกว่าผมสามารถสัมผัสความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรครับเพราะผมเองก็เคยตกอยู่ในสภาวะการเช่นเดียวกับเขาเหมือนกันและในคืนวันนั้นผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็เปิดทางให้ผมได้มีโอกาสเป็นพยานกับภรรยาของข้าเอกนิเกคนนี้ และพระพระยาของพระเอกลิเกคนนี้ก็ได้เปิดใจของเขาออกและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพ่อผู้ช่วยหลอดเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาผมก็เลยอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องว่าวันนี้ไม่ว่าพระเจ้าจะให้ท่านผ่านประสบอุปการอะไรก็ตามเรียนเถอะครับพี่น้องก็พระเจ้าอยากให้เราเรียนเราก็ต้องเรียนถูกไหมเรียนเถอะครับ จากสิ่งเหล่านั้นเพื่อพระเจ้าจะใช้ท่านให้สามารถช่วยคนอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้าอาคตูปปโ ล, โลได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่หนึ่งข้อที่4ถึงข้อาว่าพราะองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ่งของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุก กับพระคิดมากฉันใดความชูใจของเราเนื่องจากพระคิดก็มากฉันนั้นเปาโลหนุนใจเราว่าหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้ใช้เราพูดเปล่าๆที่จะหนุนใจคนอื่นแต่พระเจ้าจะใช้ความชูใจเนี่ยในตอนที่เราพบกับปัญหาในชีวิตของเรานั่นเองให้ชูใจคนอื่นแล้วมันมีน้ําหนักมากพี่น้องเพราะอะไรเพราะคนเ่านั้นรูัว่วเราไม่ได้พูดจากปากพี่น้องแต่พูดจากประสบะการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิต เหตุผลประการที่สองนะครับที่ทำให้คนเหล่านี้สามารถสังเกตเห็นความต้องการของคนอื่นก็คือต้องบอกว่าเขาต้องเป็นคนที่มีความห่วงใยคนอื่นอยู่เสมอพี่น้องครับหลายครั้งความห่วงใยคนอื่นนี่เองที่เป็นเครื่องช่วยให้เราเป็นคนช่างสังเกตสังการเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกฝนในชีวิตของเราได้ ถ้าวันนี้เราพบว่าเรายังขาดความรักเรายังขาดความห่วงใยต่อคนอื่นที่อยู่รอบข้างของเราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับเนาะ อ, อธิษฐานกับพระองค์แหละเราสามารถทูลขอต่อบพระเจ้าแลยผมเชื่อแน่ว่าถ้าท่านขอพระเจ้าให้ท่านมีความรักและความห่วงใยต่อคนอื่นพระเจ้าจะให้กับท่านไหมครับให้พระองค์ให้กับเราแน่นอนเลยทีเดียวและเมื่อ น, นั้นแหละท่านจะเริ่มต้นค่อยๆสังเกตเห็นความต้องการของคนอื่น แทนที่จะห่วงใยเฉพาะความต้องการของท่านเท่านั้นพี่น้องครับทุกครั้งที่ท่านมานมัสการพระเจ้าในตอนบ่ายวันอาทิตย์นี้ท่านเคยสังเกตไหมวันนี้ใครบ้างที่ไม่ได้มาร่วมประชุมนมัสการกับเราใครบ้างที่ขาดการประชุมอธิษฐานในสั ป, ปดาห์ที่ผ่านมาแล้วใครบ้างที่ไม่ได้มาโบสติดต่อกันตั้งหลายสั ป, ปดาห์แล้วแล้วทํำยังไงครับเราจรึงจะสามารถช่วยคนเหล่านี้กลับมานมัสการพระเจ้าได้เหมือนเดิม วันนี้มีใครไหมครับในทรามการพวกเราที่เราสังเกตเห็นว่าโอ้คนนี้ไม่เคยมาเลยนะวันนี้เขาเป็นคนแปลกใหม่ในคริสตจักรของเรานะครับเราได้เข้าไปหาเขาไหมเราได้เข้าไปคุยกับเขาไหมเราได้เคยไปทําความคุ้นเคยและปลูกสร้างมิตรภาพกับเขาหรือเปล่าหรือเราปล่อยเขานั่งทื่อเหมือนกับเสาไฟฟ้านะครับหรือว่าเดินไปเดินมาเงือเงื้ง่แเหมือนมาหุดผิดที่ผิดทางอย่างนั้นแหละพี่น้องครับ ผมรับรองได้ว่าถ้ามีคนใหม่มาที่คึ้นสจักรของเรานะครับและแล้ได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเหมือนหนึ่งว่าเขากําลังอยู่ที่บ้านของเขาอย่างนั้นและก็พี่น้องคิดว่าเขาจะมาไหมอาทิตย์หน้ามาไหมเขามาแน่นอนถ้าหากว่าเขาได้รับการต้อนรับจากพวกเรานะครับอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตสังกาแล้วก็คอยดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปลูกสร้างความสัมพันธ์ให้ดีกับคนเหล่านั้นนะครับ เมื่อเดือนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วผมก็มีโอกาสไปเทศนาที่คุริสจักแห่งหนึ่งนะครับก็มีภรรยาของเรียกว่าอย่างไงของเพื่อนกันแล้วกันนะครับเขโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนกินเจเนานะคนหนึ่งเขาสนใจอยากจะฟังเรื่องพระเยซูผมก็บอกว่าพามาโบสถ์ที่วันอาทิตย์สี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพามานะครับเขาก็พามานะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งสูญเสียลูกสาวของเขาไป และเขากำลังมีความทุกข์ในจิตใจของเขาเป็นอย่างมากพี่น้องครับหลังจากเทศนาในเช้าวันอาทิตย์นั้นเสร็จแล้วเราก็ลงมากินข้าวที่ห้องอาหารผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งที่ขึ้นสักจากนั้นนะครับก็คือว่าพอผู้หญิงคนนี้นั่งลงนะครับจะมีคริสเตียนหนึ่งสสาคนนะครับมานั่งห้อมรอมเขาคุยกับเขาแสดงความห่วงใยเขามีคริสเตียนอีกคนหนึ่งรู้ว่าเขากินเจนะครับแต่ที่โบสถ์ไม่ได้กินเจ เขาก็เลยข้ามไปที่ร้านสประสินค้าตรงข้ามซื้ออาหารเจอุอ่นเรียบร้อยมาเพื่อจะให้เขานั่งกินแล้วก็พูดคุยกับพวกเราด้วยพี่น้องครับท่านเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าคนที่เราพบปะในชีวิตประจำวันของเราเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเขาหงอยเหงาไหมเขากาลังมีบ้านหน้าตาที่แสดงถึงความทุกข์อมโศกอยู่ในจิตใจของเขาหรือป่า ถ้าวันหนึ่งหลายปีมาแล้วผมก็ขึ้นไปทํางานนะครับที่ห้องทํางานของผมที่โรงพยาบาลตรามีลูกน้องคนหนึ่งนะครับก็เอาแฟ้มหนังสือเข้ามาให้ผมเซ็นในห้องเมื่อผมเงยหน้าดูลูกน้องคนนี้ผมก็เห็นสิ่งผิดปกติปรากฏบนใบหน้าของเขาเช้าวันนั้นนะครับเขาทาแก้มเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ทาลิปสติกเป็นสีแดงเข้มนะครับ ทัทั้งที่ตามปกติแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เคยแต่งหน้าของเขาเลยเมื่อผมเห็นอย่างนั้นผมก็ถามเขาเขาชื่อลาตีผมถามว่าลาตีมีอะไรเกิดขึ้นเหรอสักคู่หนึ่งผมเห็นน้ําตาค่อยๆซึมออกมาจากที่ในตาของเขาผมก็รีบเรียกเขานั่งลงนะครับนะครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องให้ผมฟังว่าเขากําลังมีปัญหาครอบครัวอย่างหนัก เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นตชดแล้วก็ไปติดพันธ์ผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมก็มีโอกาสคุยแล้วก็แนะนําเขาหลายด้านด้วยกันในเช้าวันนั้นและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยผมให้สังเกตเห็นความผิดปกตินั้นและสามารถช่วยเขาในเวลาที่กาลังมีความต้องการอย่างแท้จริงได้ตอนนี้ปัญหาครอบครัวเขานั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วพระเจ้าได้ช่วยเขากับสามีมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนที่จะเรียนแบบอย่างของคนกลุ่มนี้ที่เป็นแกะนะครับพี่น้องที่กล่าวถึงในพ่อพีไม่เพียงแต่เราจะสังเกตเห็นความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างของเราเท่านั้นแต่พยายามที่จะพึ่งพระเจ้าที่จะตอบสนองต่อความต้องการของเขาด้วยจําไว้ให้แม่นๆนะครับว่าเราต้องค้นหาเราต้องสังเกตให้รู้ก่อนว่าความต้องการที่แท้จริงของเขาคืออะไรก่อนแล้วจึงจะสามารถตอบสนองกับเขาได้ บทเรียนบทที่สองที่เราจะเรียนรู้จากคนเหล่านี้ก็คือว่าในการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราต้องพร้อมที่จะทาสิ่งหนึ่งเสมอก็คือต้องพร้อมที่จะเสียสละเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนในคำอุปมาของพระเยซูนี้นอกจากว่าเราจะพาตัวของเรานะครับย้อนกลับไปในสถานการณ์เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้วในสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับยังไม่มีระบบสาธารณูปโภค ไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเหมือนอย่างที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้น้ำที่เขาจะใช้บริโภคในแต่ละวันนั้นทุกคนจะต้องออกไปตักจากบ่อน้ำในเวลาเช้าตรู่บางครั้งบ่อน้ำอาจจะอยู่ห่างไกลจากบ้านมากเลยทีเดียวการเอาน้ำในบ้านให้คนอื่นดื่มย่อมหมายความว่าส่วนที่จำเป็นสำหรับตนเองและคนในครอบครัวมันจะต้องลดน้อยถอยลงไปอย่างแน่นอน การเอาอาหารออกมาให้แขกรับประทานนะครับตนเองก็จะต้องลุกขึ้นจากเตียงเสร็จแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับจะต้องจุดเตาติดเตานะครับแล้วก็หุงต้ม อ, อาหารใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะมันไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรนะครับในสมัยพระเยซูก็ไม่มีตู้เย็นไม่มีช่องเฟรชไม่มีไมโครเวฟเหมือนอย่างที่เรามีในทุกวันนี้นอกจากนี้ถ้าเราจะไปเยี่ยมคนในคุกในสมัยนั้นมันต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างที่ยุ่งยากมากมาย บางครั้งดีไม่ดีนะครับคุณไปเยี่ยมคนนี้นะครับก็าจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณมีส่วนร่วมในการทําผิดของเขาหรือเปล่านะครับจะพลอยติดเข่าวลั่งแห ạ เข้าไปหรือเปล่าหรือในหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของนักโทษคนนั้นหรือไม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับในสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรสมัยนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะแตกต่างนั้นออกไปก็ตามแต่ผมอยากจะบอกว่าพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม ก็คือเมื่ อ, อไหรที่ท่านคิดอยากจะช่วยคนอื่นแล้วแล้วก็อยากจะตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นแล้วแล้วก็คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพร้อมที่จะเสียสละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนบางครั้งอาจจะเป็นการเสียสละในเรื่องของเงินทองที่เราต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เขาจำเป็นบางครั้งอาจจะเป็นกําลังกายที่เราต้องช่วยในการทางานบางอย่าง อาจจะเป็นกําลังความคิดที่ใช้ในการช่วยวางแผนการงานหรือช่วยคนอื่นในการค้นคิดหาวิธีแก้ปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของเวลาต้องยอมเสียสละเวลาพักผ่อนส่วนตัวส่วนตัวเวลาที่เราจะอยู่กับครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นแทนที่เราจะมีเวลาส่วนตัวก็ต้องใช้เวลานั้นไปในการให้ความช่วยเหลือกับคนเหล่านั้นที่กาลังมีความจาเป็นอย่างนี้เป็นต้นบ่ายวันนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องตรงๆอย่างนี้ฟังให้ดี ถ้าท่านอยากมีชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนอื่นได้ท่านต้องทูลขอพระเจ้าให้ท่านมีความพร้อมที่จะเสียสละและถ้าท่านไม่คิดที่จะเสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วละก็ท่านก็เลิกคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เลยเพราะอะไรครับเพราะบนหนทางในการช่วยเหลือคนอื่นนั้นมันจะต้องมีการเสียสละอยู่เสมอ ดังนั้นความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีทรัพย์มากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนหรือมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งหนึ่งครับก็คือว่าเรามีใจแค่ไหนต่างหากและใจที่ว่านี้ก็คือใจที่พร้อมที่จะเสียสละนั่นเองบทเรียนบทที่สมที่เราได้เรียนจากการช่วยเหลือคนผู้อื่นของคนเหล่านี้ก็คือ พวกเขาช่วยเหลือตามความจำเป็นของคนไม่ใช่ตามชนิดของคนที่เขาพบถ้าเราสังเกตห้ดีเราจะพบว่าคนที่พวกเหล่านี้เนี่ยเขาไปให้การช่วยเหลือเนี่ยคงจะเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปเป็นคนยากจนเป็นคนลาบากค้นแค้นคงจะไม่สามารถตอบแทนบุญคุณของการให้ความช่วยเหลือได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกเขาช่วยไหมครับพวกเขาก็ยังคงช่วยนั่นเอง การช่วยเหลือของพวกเขาจึงเป็นการช่วยเหลือตามความจำเป็นที่มีอยู่ไม่ใช่ตามชนิดของคนที่เขาได้พบเห็นยิ่งถ้าเราได้พิจนารณาคำพูดของพวกที่เป็นแพะหรือคนอาธรรมเราก็จะยิ่งเห็นจุดนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในข้อที่สี่สิบสี่ใช่ไหมคนเหล่านั้นที่เป็นแพะบอกว่าเขาทั้งหลายทูลว่าพระองค์เจ้าข่าที่กระพรองได้เห็นพระองค์หิว หรือโปร่งทรงกระหายน้ําหรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเป่วยพระกายหรือประชวนหรือต้องจําอยู่ในพันธนาการและข้าโปร่งไม่ได้ปนิบัตโปรองนั้นแต่เมื่ อ, อไรแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนอธรรมเหล่านี้กําลังบอกกับพระมหากษัตริย์บอกว่าที่ผมไม่ได้ช่วยนะเพราะผมไม่ได้เห็นพระมหากษัต ร, ริย์ใช่ไหมถ้าผมเห็นพระมหากษัตริย์แล้วผมคงจะช่วยไหมผมคงจะช่วยแน่นอนแสดงว่าพวกคนอาธรรมเหล่านี้นั่นเองเขาช่วย เหลือตามประเภทของคนที่เขาพบมากกว่านั่นเองคือถ้าเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขารู้จักเป็นคนที่เขาชอบพอเป็นคนที่เขานับถือเป็นคนที่เขาสามารถหวังพ้นไปหยอบตอดแทนได้พวกเขาก็เลยช่วยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในอยู่ในกรณีต่างๆเหล่านี้พวกเขาก็ไม่ช่วยพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้ท่าทีในการให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นในชีวิตของท่านเป็นอย่างไรบ้าง ท่านกำลังช่วยคนอื่นตามความจําเป็นตามความต้องการที่มีอยู่หรือท่านกำลังช่วยคนอื่นเพราะชนิดของคนที่ท่านพบกันแน่เมื่อผมอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับหลายครั้งผมก็จะพบขอทานในตลาดนะครับมาขอเงินผมก็ถามมาว่าลุงจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าเขาบอกผมบอกว่าหิวนะครับต้องการซื้อหากินผมบอกไม่เป็นไรครับลุงมานี้เลย ผมไม่ให้เงินเข้าไปเพราะผมรู้ว่าขอทานหลายคนเนี่ยก็ติดเหล้าติดบุหรี่นะครับให้เงินเข้าไปเขาก็อยาไปกินเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่นั่นเองผมก็บอกลุงมามานั่งนี่เลยนะครับผมจะสั่งอาหารที่ผมกินเนี่ยให้เขากินด้วยขอทานหลายคนก็จะบอกว่าขอโทษนะครับผมยังมีลูกรออยู่ที่บ้านนะครับขอหอไปหอหนึ่งได้ไหมผมก็บอกว่าได้เลยผมก็ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการตามความจําเป็นที่มีอยู่ ไม่ได้ช่วยหรือไม่ช่วยเพราะเขาเป็นขอทานต้องท่ามกับคนขายอาหารหลายครั้งคนขายอาหารบางคนนี่พอเห็นขอทานมานั่งกินเขาก็ไม่ค่อยอยากจะขายให้ผมก็ต้องบอกภรรยาบอกว่าที่รักจา๋าไปบอกกับคนขายนะจ๊ะว่าช่วยทำให้เขากินหน่อยผมจะเป็นคนจ่ายเงินให้พี่น้องครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ให้หลักการในการให้ความช่วยเหลือคนอื่นแก่เราก็คือให้ช่วยเพราะคนมีความจาเป็น ไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนนะครับพระองค์ได้ตรัสนะครับในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ12ถึง14อย่างนี้ว่าฝ่ายพระองค์ตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจะทำการเลี้ยงจะเป็นกังวันหรือเวลาเย็นก็ตามอย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหายหรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มั่งมีเกอกว่าเขาจะเชิญท่านอีกและท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านทาการเลี้ยงจนเชิญใครครับ เชิญคนจนมาเชิญคนพิการมาเชิญคนกันเยกมาเชิญคนตาบอดมาพระเยซูบอกว่าแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านด้วยว่าท่านจะได้รับตอบแทนเมื่อคนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนี่คือหลักเกณฑ์ที่พระเยซูสอนเราในการช่วยไม่ใช่ช่วยตามคนที่เราพบนะครับแต่ช่วยเพราะเขามีความจําเป็นไหมถ้าเขามีความจําเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่เพราะคาสิ่งนั้น ถ้าเรามีกำลังเราก็ควรจะช่วยเขาอย่างแน่นอนขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทุกคนไม่เพียงแต่จดจำหลักการของการให้ความช่วยเหลือที่พระเยซูได้บอกกับเราจากในพระธรรมลูกาเท่านั้นแต่ให้เราดำเนินตามนั้นที่พระองค์ได้สอนเราในการให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นด้วยบทเรียนบทที่4ที่เราเรียนจากคนกลุ่มนี้ก็คือว่าคนกลุ่มนี้นะครับได้ให้ความช่วยเหลือจากแก่คนอื่นเนี่ย จนกระทั่งการช่วยเหลือคนอื่นของพวกเขานั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขาพูดง่ายๆก็คือพวกเขาช่วยเหลือคนอยู่เป็นประจำทุกๆวันนั่นเองเมื่อท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็จะสงสัยแล้วก็ถามผมบอกว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงล่ะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาช่วยคนอื่นอยู่เป็นประจำทุกๆวันนะครับนะมีใครสงสัยไหมครับ <laughs> จะเฉลย พ่อพวกเขาพวกเขามีความจําที่เลวมากคือจําไม่ได้เลยว่าพวกเขาทําอะไรนะครับท่านก็ยังง ง, งอีกอ้าวดูพระกัมปีพระกมีบอกว่าในหนังสือมัทธิวบทที่25เข้า37นะครับเวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ําและได้จัดมาถวายพระองค์แต่เมื่อใดที่ข้าพระองค์ ได้เห็นพระองค์เป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเป่วยพระกายและได้สวมฉลองพระองค์ให้แต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้องจําอยู่ในพันธนาการและได้มาเฝ้าพระองค์นั้นแต่เมื่อไร่พอพวกนี้ได้ยินพระมหากาษัตริย์บอกว่าเมื่อเราป่วยเจ้าคนมาเยี่ยมเราเมื่อเรากระหายน้ําท่านก็ให้เราดื่มพอพวกนี้บอกว่าเออเออเราทําพวกสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อไหรเขาจําไม่ได้นะครับพี่น้องครับ ตามปกติแล้วอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่เป็นประจำเสมอทุกๆวันจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ใส่ใจที่จะจดจำเลยเพราะว่ามันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณไปแล้วท่านก็นยังงงอีกเอาผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังถ้าผมถามคุณนะครับว่าวันที่สิบห้าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาท่านใส่เสื้อผ้าชุดไหนกางเกงสีอะไร ท่านจําได้ไหมมีใครจําได้จะมีรางวัลให้วันที่สิบห้ามีนาคมนะสองเดือนมาแล้วจําได้ไหมครับจําไม่ได้อ้าวผมถามต่อไปถ้าถามว่าวันนั้นท่านรับประทานอาหารเที่ยงกับใครจําได้ไหมสิบห้ามีนานะจําได้นะสิบห้าเมษาจําได้ไหมจําได้อาสิบ้ากุมภาจําได้ไหมจําได้เลยครับแล้วท่านกินอาหารเที่ยงอาหารอะไรอ้าวจำไม่ได้นะครับ เพราะอะไรเราถึงจําไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรพี่น้องเพราะอะไรท่านจําไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะการใส่เสื้อผ้าและกางเกงการทานอาหารเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกวันในชีวิตของท่านคุณไม่ได้ใส่ใจจะจดจำสิ่งพวกนี้อยู่แล้วพี่น้องแต่ถ้าผมถามท่านนะครับถามคนที่แต่งงานแล้ววันแต่งงานท่านใส่ชุดอะไรจําได้ไหมโอ้โ ห, โหจำได้ตลอดชีวิตไม่มีวันลืมใช่ไหม เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตของคุณเท่านั้นพี่น้องเห็นหรือยังครับว่าวันนี้ถ้าใครนะครับที่ชอบมาคุยให้ท่านฟังโอ้โหให้ท่านบอกว่าเขาช่วยคนมาเยอะมาแยะอย่างนั้นมากมายนะครับแสดงว่าเขายังไม่เคยได้ช่วยคนอื่นเท่าที่ควรนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเขายังจําได้ไม่ลืม <laughs> การช่วยเหลือคนอื่นของเขานั้นยังไม่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเขา ถ้ามีใครเป็นอย่างนี้นะครับพอหนุนใจท่านหาโอกาสที่จะช่วยคนอื่นให้มากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันของท่านช่วยจนกระทั่งท่านไม่ได้จดจําท่านช่วยใครไปบ้างนะครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคุณไปแล้วผมอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับกี่คนเคยไปจังหวัดตราดครับ อ, อ๋อจังหวัดตราดเนี่ยมันมันเป็นตลาดแคบๆนะครับมีถนนสองถนนเองพี่น้อง แล้วก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับทุกคนก็เกือบจะรู้จักกันหมดอะในตลาดโดยเฉพาะยิ่งเขาจะรู้นะครับมีหมอกี่คนมีหมอคนไหนเป็นยังไงบ้างรักษาอะไรเขารู้จักหมดนะครับบ่อยครั้งนะครับที่ผมพบคนไข้มาสวัสดีผมที่กลางตลาดแล้วก็ขอบคุณมากเขาบอกขอบคุณคุณหมอปีดามากที่ช่วยผมวันนั้นถ้าคุณหมอไม่ช่วยผมวันนั้นป่านนี้ผมคงกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วคือพูดง่ายคือตายไปแล้วนะครับ พอคนเหล่านั้นเดินไปแล้วลูกก็หันมาบอกป้ป้าปป้าจําได้ไหมเนี่ยคนตะกี้เนี่ยใครผมก็ต้องบอกกับลูกอย่างนี้บอกว่าส่วนใหญ่พ่อจําไม่ได้หล้วครับบางครั้งคุยกันจบแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าผมไปช่วยเขาตอนไหนนะครับเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะอะไรครับผมถึงจําไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกวันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ในชีวิตของผมในฐานะที่เป็นแพทย์อยู่แล้วที่ต้องช่วยชีวิตคนไข้เหล่านี้อยู่เป็นประจํา ความจริงใน30สกว่าปีที่ผมเป็นหมอนั้นคนที่ผมช่วยชีวิตไว้มันก็มีมากมายแนละผมก็จำไม่ไหวและก็ไม่คิดที่จะจำด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทุกคนนะครับพี่น้องในการช่วยเหลือคนอื่นให้เราตอบสนองตามความต้องการของคนที่มีอยู่อย่างแท้จริงนะครับนะและก็ให้การตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นนั้นเกิดขึ้นเป็นประจาทุกวันจนกระทั่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของเรา เมื่อไรครับเมื่อคุณช่วยแล้วคุณไม่ได้คิดจะจำอีกต่อไปบทเรียนบทสุดท้ายที่เราเรียนจากคนเหล่านี้ก็คือในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาให้ความรักของเขาที่มีต่อพระหมหากษัตริย์สำแดงออกเป็นความเมตตาต่อคนเหล่านั้นที่พระหมหากษัตริย์ทรงรักด้วยพี่น้องครับถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องรักคนที่พระเจ้ารักด้วยนะนเนาะอเมนจริงหรือเปล่าอันรักคนที่พระเจ้ารักท่านอ่ ท่านักทุกคนที่พระเจ้ารักหรือเปล่าฮัลโหลชักไม่แน่ใจแล้วนะถามว่าพระเจ้ารักใครครับพี่น้องรักใครนะทุกคนนะทุกคนแปลว่าอะไรทุกคนก็แปลว่าพระเจ้ารักทั้งคนที่น่ารักและรักทั้งคนที่ไม่น่ารักใช่ไหมในทํานองเดียวกันพี่น้องพระเจ้าก็ต้องการในความรักของพระองค์นั้น สำแดงผ่านชีวิตของเราทั้งกับคนที่น่ารักแล้วก็คนที่ไม่น่ารักด้วยต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่น่ารักเราก็ไม่ต้องอาศัยความรักของพระเจ้าก็สามารถรักเขาได้ไม่ยากนะเพราะไม่มีความรักตามธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่กับคนเหล่านั้นที่ไม่ค่อยน่ารักนะครับเมื่อไหร่จะรู้ว่าคนนี้ไม่ค่อยน่ารักนะครับพี่น้อง เมื่อเขาเดินมาทางซ้ายท่านหลบไปทางขวาเนี่ยแสดงว่าคนนี้ไม่ค่อยน่ารักสําหรับท่านแล้วนะครับคือไม่อยากจะเจอเขานะแต่กับคนที่ไม่ค่อยน่ารักเราต้องการความรักที่มาจากพระเจ้าที่จะช่วยเราสามารถรักเขาและก็ช่วยเหลือเขาจริงๆพี่น้องต้องอย่าลืมผมก็ต้องบอกกับตัวเองว่าหลายครั้งเราก็เป็นคนที่ไม่น่ารักเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่หรือเปล่าทาไมคิดนานพี่น้อง แต่พระเจ้ายังอดทนกับเราไหมอดกลั้นกับเราไหมฟูงให้โอกาสเรานับครั้งไม่ถ้วนไหมนับครั้งไม่ถ้วนพี่น้องครับถ้าท่านมันคิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้คิดถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เมื่อเราคิดบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยเราสามารถรักคนเหล่านั้นที่ไม่ค่อยน่ารักได้ง่ายขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับหลายครั้งที่ผมสงบใจและคิดทบทวนถึงชีวิตของตนเอง ผมก็รู้ว่าผมเป็นหนี้พระเจ้าอย่างมากมายมหาศาลแต่พระองค์ก็ยังคงให้โอกาสนับครั้งไม่ถ้วนกับชีวิตของผมใจที่ผมสำนึกต่อพระคุณของพระเจ้านี้เองที่ช่วยให้ผมสามารถพึ่งพระเจ้าและให้ความรักของพระเจ้ามีโอกาสสำแดงผ่านทางชีวิตของผมทั้งต่อคนที่ผมรู้สึกว่าน่ารักและไม่ค่อยน่ารักด้วยพี่น้องจำไว้นะครับเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักเป็นเรื่องของเขากับใคร กับพระเจ้าเนาะเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักก็เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าแต่หน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่ของเราก็คือให้ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าสำแดงออกเป็นความเมตตาต่อคนเหล่านั้นที่พระเจ้าส่งรักด้วยเราจะรักคนที่พระเจ้าส่งรักอเมนไหมอเมนไม่ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารักอเมนไหม <c oughs> เบาลงนะครับพี่น้องครับ ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าท่านต้องฝึกนะครับท่านต้องฝึกนะครับที่จะรักคนที่ไม่ค่อยน่ารักตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับถ้าท่านไม่ฝึกขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับโลกนี้เราอยู่กันไม่กี่สิบปีนะแต่วันหนึ่งไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แล้วท่านไปเจอคนที่ไม่ค่อยน่ารักเนี่ยเป็นยงไงท่านจะต้องอยู่กับเขาตลอดไปชั่วนิจหนิรคิดว่ามีปัญหาไหมโอ้มีปัญหานะเพราะนั้นเริ่มต้นฝึกซะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปัญหาที่สําคัญก็คือว่าเราจะสามารถมีความรักแบบนี้ได้อย่างไรความรักแบบนี้เป็นความรักแท้ที่พระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายทุกคนพระคัมภีร์ใช้คําคําหนึ่งคือคําว่าอากาเป้นะครับในภาษากรีกคาว่าอากาเป้ในภาษากรีกเนี่ยก็เป็นคําที่มีใช้บรรยายถึงความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเป็นความรักด้วยความตั้งใจไม่จะรักตามอารมณ์หรือความรู้สึกของคนคนนั้น เป็นความรักที่ไม่แสวงอะไรเพื่อตัวเองแต่หวังที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่คนที่เรารักเสมอยิ่งไปกว่านั้นอากาเป้หรือความรักแท้เนี่ยยังเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเพราะพระธรรมกราเตียบทที่5ข้อที่ยีบอกว่าปายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักนะความรักนะครับแล้วผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไรครับพี่น้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไร ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราหันกลับจากความผิดความบาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเรา พ, พ่อผีเรียกประสบะการณ์นี้ว่าการบังเกิดใหม่เพราะฉะนั้นคนที่จะมีความรักแบบอากาเป้ได้นั้นต้องเป็นคนที่กลับใจเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจึงจะสามารถมีความรักแบบอากาเป้ได้ถ้าบายวันนี้นะครับมีท่านผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมกับเรา คนหนึ่งคนใดที่อาจจะมาร่วมประชุมหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับที่จะต้อนรับพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของท่านก็อยากท้าชวนท่านนะครับว่าท่านก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถมีความรักแบบอากาเป้ น, นี้ได้ถ้าท่านเปิดใจของท่านออกและเชิญใครครับเชิญพระเยซูคริสต์ให้เข้ามาประทับอยู่ในใจของท่านหลังจากที่เรากลับใจบังเกิดใหม่พอไหมแค่นั้นที่จะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่พอครับพี่น้อง ท่านต้องพัฒนาความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันทุกวันท่านจําได้ไหมตอนที่ท่านท่านจีบแฟนของท่านเนี่ยจำได้ไหมจําได้ไหมไม่ได้ซะแล้วนีลืมลืมความหลังแต่ข้างเก่าก่อนแล้วตอนที่เราเราจีบแฟนของเราเนี่ยเราอยากรู้จกักเราอยากจะมีความสนิทสนมกับเขาไหมอยากใช่ไหม คุณต้องมีอะไรอย่างหนึ่งให้เขาต้องมีอะไรที่รักจา๋าฉันรักเธอมากแต่วันนี้ไม่ว่างอย่างนี้หรือเปล่าเราต้องมีอะไรมีเวลาครับท่านต้องมีเวลาเวลาเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าท่านอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้ามากขึ้นท่านก็ต้องมีเวลาให้กับใครให้กับพระเจ้าให้กับพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเราจะอธิษฐานเพื่อเราจะอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้า เพื่อเราจะตึกตรองแล้วก็ฟังว่าพระเจ้าวันนี้จะพูดอะไรกับเราเนาะเพราะฉะนั้นท่านต้องพัฒนาความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งพระองค์ครอบครองจิตใจของเราเมื่อพระองค์ครอบครองในจิตใจของเราแล้วพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงได้ความรักรวมทั้งผลของพระวิญ ญ, ญาณในลักษณะอื่นๆนั้นก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านดังนั้น ความรักเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราพยายามจะทําอะไรพี่น้องแต่ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าวันนี้เป็นอย่างไรมากกว่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องสนใจจึงไม่ได้อยู่ที่ผลของพระวิญญาณอยู่ที่ความรักความประบพื่นใจไม่ใช่ท่านไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยท่านเพียงแต่ใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับใครกับพระเจ้าท่านอธิษฐานท่านไต่ตรองพระคําของพระเจ้าท่านดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้า เมื่อนั้นครับพี่น้องพลวิญญาณบริสุทธิ์จะทางานในจิตใจของท่านแล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมและคนที่อยู่รอบข้างชีวิตของท่านจะสัมผัสได้ว่าโอ้ชีวิตของท่านไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่ามีผลของพลวิญญาณบริสุทธิ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจจึงไม่ใชอยู่ที่ผลอันใดอันหนึ่งนะครับ แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับพระเจ้าที่ดีตัางหาเพราะถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆคุณไม่ต้องห่วงครับคนอื่นจะได้เห็นคนอื่นจะได้ลิ้มรสของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากในชีวิตของคุณรวมทั้งความรักอย่างแน่นอนขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เราไม่เพียงแต่รู้จักความรักแท้เนาะป่ายนี้เรารู้จักแล้วนะไม่เพียงแต่เข้าใจความรักแท้แต่จะ ให้เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นด้วยความรักแท้ที่มาจากพระเจ้าถ้าเรายังไม่มีความรักแท้ของพระเจ้าเราจะช่วยคนอื่นด้วยความรักแท้ได้ไหมย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าที่สําคัญที่สุดนะครับหลายครั้งโดยไม่รู้สึกตัวนะครับการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยหลายครั้งกลับเป็นการช่วยเหลือตัวใคร ตัวของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมอยากจะจบคําเทศนาในวันนี้ด้วยการเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังพี่น้องรู้จักอบังคนนี้ไหมแขกคนนี้ชื่อสาธุสันตสิงนะครับสาธุสันตสิง์เป็นคริสเตียนชาวอินเดียเขาเกือบจะปริตชีวิตของตนเองด้วยการกระโดดให้รถไฟทับเพราะเขาไม่พบความหมายที่แท้จริงสําหรับชีวิตของเขาต่อมาเมื่อเขากลับใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้น พระเจ้าก็ประทานให้สาธุสันตสิงเนี่ยเป็นคนที่มีภาระใจเพื่อคนที่เบตในตอนใต้ของประเทศจีนพี่น้องครับที่เบตกับอินเดียตอนเหนือมันขั้นกันด้วยอะไรครับด้วยปูเขาหิมาลัยเพราะฉะนั้นนั่นเองในการที่สาธุสันตสิงนั้นจะไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่เบตนั้นท่านก็ต้องเดินทางผ่านเทือกเขาหิมาลัยนีน้่นไป ในการเดินทางครั้งหนึ่งท่ามกลางหิมะที่โตกหนกักและอากาศหนาวเย็นอย่างมากเลยครับ mm hmm. เขาก็ไปกับผู้นำทางคนหนึ่งเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่คุ้นกับทางตรงนั้นระหว่างทางนั้นเองที่ผู้นำทางนำสาธุสันตสิง์ไปนั้น mm hmm. เขาก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับนอนหมดสติอยู่ท่ามกลางหิมะระหว่างทางสาธุสันตสิงห์ก็เลยขอให้ผู้นาทางคนนี้บอกว่าพี่ครับ เราช่วยกันพาผู้ชายคนนี้ไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าดีไหมเพราะถ้าเราปล่อยเขาไว้ตรงนี้เนี่ยเขาต้องตายแน่ๆเลยอากาศหนาวเย็นขนาดนี้ปรากฏว่าผู้นำทางบอกว่าอย่างไงครับจะช่วยเขาเหรอลำพังเราคนเดียวเราก็ไม่รู้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าถ้าเอาคนนี้ไปเนี่ยรามีวันตายกันหมดนะครับคุณอยากจะช่วยคุณก็ไปช่วยเขาเองผมไม่เอาด้วยว่าแล้วคนนำทางก็เดินนาหน้า สาธุสันตสิงไปแต่สาธุสันตสิงเนี่ยเป็นตั้งเครื่เสียนแล้วก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไหนเลยเขาจะสามารถปล่อยคนนี้ให้นอนตายอยู่กลางทางได้เขาก็เลยพยายามจะออกแรงนะครับลากลากดึงดึงถูถูไถ่ไถ่ถถนะครับพาผู้ชายคนนี้ไปด้วยความยากลําบากเพื่อจะไปให้ถึงหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้านั้นปลาขาว่าเกิดอะไรขึ้นดูไหมครับ ระว่างทางก่อนที่จะถึงหมู่บ้านนั่นเองปรากฏว่าคนนําทางที่ล่วงหน้ามาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานานเนี่ยได้นอนหนาวตายอยู่ที่กลางทางนั้นแล้วพอสาธุสันต์สิงห์เห็นจึงรู้ว่าอ้อที่วันนี้เราไม่ได้หนาวตายเนี่ยทำกลางหิมะที่หนาวเย็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราช่วยคนคนนี้ใช่ไหมใช่ไหมช่วยคนที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยลากลากถู ถ, ถูไต่ไต่เข้าไปเนี่ยทําให้เราต้องออกแรงมากขึ้น ทำให้ร่างกายเรามีการเผาผ่านอาหารมากขึ้นก็ทำให้ร่างกายเรามีความอบอุ่นจึงสามารถทนสู้ความหนาวเหน็บของอากาศในวันนั้นได้พี่น้องครับนี่เป็นความจริงที่เราต้องรู้ว่าเวลาที่เราห่วงเอาใจใส่คนอื่นและห่วงใ ย, ยคนอื่นนั้นช่วยคนอื่นนั้นเราต้องออกแรงมากขึ้นไหมเราต้องอธิษฐานมากขึ้นไหมเราต้องพึ่งพระเจ้ามากขึ้นไหมเราต้องอาศัยความเชื่อมากขึ้นไหม เราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ประกอบกันเข้ามาแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราช่วยเหลือคนอื่นนั้นปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปเป็นไงมันกลับกลายเป็นสิ่งที่กลับมาเสริมสร้างชีวิตของเราให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยที่บางครั้งเราไม่รู้สึกตัวด้วยายวันนี้ขอไปจะช่วยเราบทเรียนบทที่หนึ่งให้เราหมั่นสังเกตความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างชีวิตของเรา ถ้าเรายังเป็นคนที่ไม่ค่อยห่วงใ ย, ยคนอื่นบอกกับพระเจ้า พ, เ า, าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าอยากจะห่วงใ ย, ยคนอื่นอยากจะมีความรักอย่างที่พระองค์ทรงบอกไว้ท่านขอต่อบพระเจ้าผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะให้กับท่านแน่นอนสองให้เราพร้อมที่จะเสียสละเพราะอะไรเพราะในการช่วยเหลือคนอื่นนั้นมันจะต้องเสียสละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนสให้เราช่วยเหลือคนตามความจําเป็นที่มีอยู่ไม่ใช่ตามชนิดของคนที่เราพบ 4. ให้การช่วยเหลือคนอื่นนั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเรารู้ได้อย่างไรครับก็เมื่อเราไม่ได้จดจำเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อไปและประการที่5เราจะให้ความช่วยเหลือแก่คนเหล่านั้นทั้งคนที่น่ารักและก็ไม่น่ารักด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนที่เราพูดถึงการช่วยเหลือคนอื่นขอพระเจ้าประทานให้เรามีหัวใจทั้ง5อันนี้พี่น้องอยากได้ไหม หัวใจแห่งการช่วยเหลือคนอื่นอยากได้ไหมท่านพยักหน้าเบามากเหมือนกับไม่ค่อยอยากจะได้เนาะอยากได้ไหมอยากได้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันดีไหมบอกกับพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าข้าพงศ์ต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อข้าพง์จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ยังที่พระเจ้าทรงต้องการให้ข้าพระเจ้าทําพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นสุดยอดแห่งแบบอย่างของการช่วยเหลือและการให้ ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนบ่าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับแบบอย่างจากชีวิตของคนชอบธรรมหรือฝูงหรือคนที่เป็นเหมือนกับแกะที่โปร่งกล่าวถึงนี้ช่วยเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะสังเกตสังกาความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราสอนเราที่เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะเสียสละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเหมือนที่โปร่งทรงเสียสละสิ่งหนึ่งต่างเพื่อชีวิตของเรา อวยประพนร์เราทั้งหลายทุกคนที่เราจะช่วยไม่ใช่ตามคนที่เราพบแต่ตามความจําเป็นที่มีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นขอให้การช่วยเหลือคนอื่นนั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราจนกทั้งเราไม่คิดที่จะจดจำการช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงกรุเมตตาให้เราให้ความช่วยเหลือด้วยความรักที่มาจากพระองค์เราจะช่วยทั้งคนที่น่ารักและบางครั้ง ทั้งคนที่ไม่น่ารักที่พระองค์ได้ทรงนำพาให้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราด้วยอวยพรเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะไม่เพียงแต่เรียนรู้แต่ขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนด้วยเราทูลขอสิ่งทั้งพงศ์นี้จากพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรกับพี่น้องทุกท่านครับ